ที่มาขึ้นข้อความในสุตตานิบาตตอคัคควิสานสูตรสูตรว่าด้วยเที่ยวไปดุจหน่อแรกจะมีคําอธิบายพิสดารในคัคควิสานสุตตนิเทศคำภีจุลนิเทศเนี่ยนะซึ่งจะอธิบายควบคู่กับจุลนิเทศไปด้วยเองผู้ที่สั่งสมบุญมาดีอย่างพระพเจ้าพุทธเจ้าองค์นี้ ท่านบรรลุบนคอช้างตรัสรู้บนคอช้างเลยถามว่าท่านทำอย่างนั้นได้อย่างไรคือท่านสั่งสมบารมีมาแล้วสองอสงไขย่างต่ำเศษแสนกับต้องใช้เวลา น, านานมากกว่าจะได้ตรัสรู้เช่นนั้นนี่แม้กระทั่งว่าในพบก่อนคือชาติก่อนหน้านี้คือชาติที่แล้ว ท่านก็บวชในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะแล้วก็เจริญกรรมฐานอยู่ร่วมสองห0ื่นปีเนะเจริญกรรมฐานบริหารกรรมฐานเจริญสมถวิปัสสนาในเกือบสอง0 0ื่ปีพันสายทานแห่งกุศลจิตของท่านเนี่ยจึงหลั่งไหลตลอดระยะเวลาที่ท่านบวช ด, ด้วยผลแห่งบุญเหล่านั้นทําให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็เป็นพระราชาที่ทรงธรรมเจตนาที่น้อมไปเพื่อการฆ่าไม่มีแม้แต่นิดเดียวท่า น, นเจริญเมตตากรรมฐานเนี่ยนะเจริญเมตตากรรมฐานอาศัยเมตตาเป็นบาตรเจริญวิปัสนาบรรลุมรรคผลย้อนข้อความในหน้า128ย่อนหน้าบอกว่าพระเจ้าพรหมทัตนั้นเห็นเสนาทั้งสองฝ่าย ต่างชื่นชมร่วมกันอยู่คือพวกกองทัพเนี่ยนะมีเมตตาต่ อ, อกันศัตรูมีเมตตากับศัตรูว่างั้นพระองค์ก็เลยคิดว่าหยดเลือดแม้เพียงมแมลงวันตัวเล็กๆดื่มได้ก็ไม่บังเกิดในหมู่มหาชนช่างดีจริงหนอขนาดว่าเป็นศัตรูกันแท้ๆยังไม่เข็นฆ่ากันเลยทุกคนเหล่านั้นนะพวกทหารเหล่านั้นเนี่ยเชื่อว่า ทำเพื่อประโยชน์ในการตามรักษาจิตของพระเจ้าพรารณสีพระองค์เดียวคือตามรักษาจิตของของเราเนี่ยหมายถึงพระเจ้าพรารณสีโอ้ดีจริงอันนี้เป็นอะไรเป็นมุทิตาเนี่ยนะเป็นความบันเทิงเป็นเมตตาเป็นทั้งเมตตาเป็นทั้งมุทิตาบอกว่าดีจริงดีนักแลขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขเถิดน้อมไปน้อมเมตตาไปเจริญอะโทสะเป็นมโนสุจริต เจริญมโนสุดจริตน้อมเมตตาไปว่าสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขเถิดซึ่งเห็นเขามีความสุขโดยด้วยตาอยู่แล้วแล้วก็รู้ด้วยใจแล้วก็มีเมตตาเจริญเมตตาอย่ามีเวรกันเลยจงอย่ามีเวรกันจงอย่าเบียดเบียนกันบางคนก็บอกโอ้ยมวัวแต่รบกันอยู่มวัวสมัยสงครามจะมาเจริญกรรมฐานได้ยังไงถ้าสะสมมาบุญมาดีเนี่ยนะสมัยเช่นนี้ก็ยังบริหารกรรมฐานได้ พระองค์ก็เลยยังเมตตาชานให้เกิดขึ้นทำเมตตาชานนั่นแหลให้เป็นบาทพิจารณาสังขารทั้งหลายคือเป็นคุณธรรมรองรับอ่ะนะอาศัยเมตตาเป็นคุณธรรมรองรับในการพิจารณาสังขารเพราะว่าบอกว่าผู้ที่มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงฮันเมื่อใจสงบใจตั้งมั่นใจไม่ฟุ้งซ่านก็น้อมไปพิจารณาอุ ป, ปาทานขันห้าปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดทําให้แจ้งปัดเจกับโพธิญาณ บรรลุความเป็นสยามภูแปลว่าตรัสรู้เองโดยชอบโดยถูกต้องไม่ผิดพลาดแต่สอนคนอื่นไม่ได้ <c oughs> อำมาตย์ทั้งหลายก็ได้ประชมการกราบทูลพระเจ้าพรมทัพนั้นผู้มีความสุขด้วยมรรคผลประทับนั่งบนคอช้างอ๋อเป็นผ้ารหัส น, นั่งบนคอช้างเยสบายมากอำมาตย์ก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราช กาลนี้เป็นการเสด็จขึ้นสู่พระยานขอพระองค์พึงทำสักการะแก่หมู่ชนผู้ชนะพึงพระราชทานอาหารเลสเบียงแก่หมู่ชนผู้แพ้เรียกว่าเป็นพระราชาที่จะต้องมีบำเน็จมีบำนานมีการให้รางวัลให้อาหารแก่หมู่ทหารทั้งหลายทั้งสองกองทัพนะพระเจ้าพรมทัตที่เป็นพระประเจ ก, ก็ตรัสว่าดูก่อนพนะเราไม่ใช่พระราชา เราชื่อว่าปัจเจกสัมพุทธโดยสัพแปลว่าผู้แทงตลอดอริยสัจโดยถูกต้องเพียงลําพังนะผู้ถูกนะสำพุทธสำตัวนั้นแปลว่าถูกต้องไม่ผิดพลาดพุทธะแปลว่าทํากิจแห่งอริยสัจปัจเจกะก็คือเฉพาะตัวผู้ที่แทงตลอดอริยสัจอย่างถูกต้องเพียงลําพังหรือเฉพาะคนเดียวอ า, าทั้งหลายก็กราบทูลว่าพระองค์ตรัสอะไร อามาดไม่เชื่อนะอามาดบอกว่าพระองค์พูดอะไรพระประเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เป็นเช่นนี้หรอกพระราชาก็เลยถามว่าพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นเช่นไรอามาดก็กราบทูลว่าธรรมดาพระประเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายมีผมและหนวดยาวประมาณสององคุรีคือสองนิ้วเนี่ยนะสองข้อนิ้วอยังมากทรงบริขารแปดพอพูดจบ พระราชาเนี่ยนพะระองค์ก็ลูบพระเสียรด้วยพระหัตถ์เบื้องขวาทันใดนั้นเพศครือหัดก็อันตรธานไปเพศบรรปชิตก็เข้ามาแทนที่พระองค์มีเกษาและพระมั ส, สุก็ระ้ว่ามีผมมีคราวมีหนวดประมาณสององคุรีพร้อมกับด้วยบริขารแปดเช่นกับพระเถระบวชมาแล้วร้อยพรรษาไม่แปลกใจนะเพราะสะสมอัทยาศาัยความเป็นนักบวชมา หลายพบหลายชาติด้วยกันแล้วก็ตอนนี้สงบจากอากุศลบรรลุเป็นผ้าอรหันแล้วท่านเลยจึงดูหน้าเลื่อมใสามากการยกตัวอย่างว่าเช่นกับพระเถระบวชมาแล้วร้อยพันศาเนี่ยประกาศถึงว่าเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวัดสมบูรณ์ด้วยมารยาเป็นผู้ที่ควรแก่ควรแก่การกราบการไหว้เห็นแล้วหน้าเลื่อมใส เสร็จแล้วพระองค์ก็เข้าจตุทชาญฌานที่สี่เป็นบาทอธิษฐานเป็นริดเหาะขึ้นจากคอช้างสู่อากาศประทับนั่งบนดอกปฐุมไปนั่งบนดอกบัวเลยนะสั ญ, ญลักษณ์ของดอกบัวทําไมจึงนิยมใช้กับดอกบัวมากพระพุทธศาสนากับดอกบัวเป็นของคู่กันไปเห็นพระพุทธรูปที่ไหนประเทศไหนก็มีแต่ดอกบัวเกี่ยวกับพระพุทธรูปเกี่ยวกับสถานที่ในพระศาสนาจะเป็นดอกบัวซะส่วนใหญ่ ต่างประเทศนะต่างประเทศก็เป็นดอกบัวประเทศไทยเราก็ไม่ใช่น้อยนะอย่างข้างบนเนี่ยโต๊ะหมู่บูชาพระก็มีดอกบัวทําไมจึงนิยมดอกบัวก็เพราะว่าดอกบัวเป็นดอกไม้ชนิดที่เรียกว่าอาศัยน้ําและคโคลนตม้มจึงเจริญขึ้นเมื่อเจริญขึ้นแล้วพ้นน้ำนะพอพ้นน้ำเนี่ยไม่ฉาบทาด้วยน้ําไม่แปดเปื้อนด้วยน้ําไม่มีสีแหก กลิ่นและคโคลนของคโคลนตมอยู่เลยเป็นดอกไม้ที่สะอาดนนะปราศจากคโคลนตมปราศจากน้ำน้ำเป็นต้นไม่แปดเปื้อนฉันใดพระอริยบุคคลทั้งหลายพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านนั้นเกิดขึ้นในโลกเจริญเติบโตในโลกแต่ท่านเหล่านั้นไม่แปดเปื้อนด้วยอำนาจฉันทราคะกับโลกท่านไม่มีตัญหาทิฐิในโลกเลย เป็นผู้ที่สงบตันหาสงบมิจชาทิถิในโลกทั้งปวงได้ไม่แปดเปื้อนด้วยฉันทราคะที่ติดข้องในโลกเรียกว่าบรรลุโลกุตระอันเห็นดอกบัวพ้นน้ำก็ประกาศถึงคิดถึงว่านั่นคือโลกุตระนี่ดอกบัวเนี่ยนะดอกบัวบานการบัวบานอันนั้นก็ประกาศถึงว่าแทงตลอดอริยสัตว์เนี่ยนะถ้าดอกบัวบานก็ประกาศถึงแทงตลอด อริยสัจถาดอกบับตูมก็ประกาศถึงว่าผู้ที่มีความสามารถตรัสรู้อริยสัจได้การตรัสรู้อริยสัจเปรียบกับบัวบาน น, นะนะแล้วก็ส่งกลิ่นแห่งอริยคุณมีศสลเป็นต้นหอมโชยลงไปอมมาตพวกอมมาตก็เลยไปถึงก็กราบไหว้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงบำเพ็ญกรรมฐานอะไร พระองค์ส่งบรรลุอย่างไรพระองค์ท่งเห็นแจ้งวิปัสนาซึ่งเป็นเหตุให้บรรลุให้พระองค์ได้บรรลุเพราะพระองค์เจริญเมตตากรรมฐานแล้วบรรลุคื อ, อการที่จะบรรลุเป็นพระประเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านเจริญฌานก่อนคือเจริญเมตตก่อนในความที่เป็นผู้สั่งสมเมตตามาเป็นอย่างดีเนี่ยนะสำนวนไทยเราว่ากระพริบตาไม่กี่ครั้งก็เข้าฌานได้แล้วเนี่ยนะ คนที่ชํานาญเอางี้หนึว่าถ้าเราลองจะจะโกรธ ด, ดูนะแทบเดียวนี้ก็ทันทีเลยใช่ไหมอ้าแล้วคนที่ฝึกอะโทสะมาเป็นอย่างดีล่ะเจริญยากไหมเอา้าตรงกันข้ามนี่ถ้าจะเจริญอะโทสะคือเมตตาเนี่ยนะอย่างจิตที่ไม่คิดประทุสร้ายให้เกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายความที่สั่งสมเมตตามาเป็นอย่างดีนั้นจิตที่มีเมตตานั้นไม่ยากไม่นานแป๊บเดียวก็ได้ฌานแล้ว ในความที่สั่งสมวิปัสนาเนี่ยนะสังสมยาตะปริญญาติรณะปริญญาสั่งสมการพิจารณาอริยสัจมามากก็เลยพิจารณาอุปาทานขันห้าตามเป็นจริงที่เรียกว่าเจริญวิปสนาชื่อเต็มของวิปัสนาว่าไงกายานุปัสนาสติปทาน เวทนานุปัสนาสติปฐานจิตนานุปัสนาสติปทานธรรมานุปัสนาสตปาิสตปฐานสติปฐานสี่ที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่มอมยังโพชงเจ็ดให้เจริญพโธชงเจ็ดที่เจริญแล้วทําให้มากแล้วย่มอมยังวิชาและวิมุติให้เจริญนะเมื่อวิชาวิมุติเกิดขึ้นนี้วิมุติแบบปัจเจกวิมุตนะตรัสรู้แบบพระปัจเจกพุทธเจ้าหลุดพ้นแบบพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เลยบอกถึงข้อปฏิบัติให้ฟังย่อๆว่า สัพเพสุภูเตสุนิทายะทันดังแปลว่าบุคคลวางอาจยาในสัตว์ทั้งปวงแล้วเป็นต้นวางอาจยาในสัตว์ทั้งปวงเลยนะทำอธิบายอธิบายในจูลนิเทศ น, นะดูในนั้นประกอบก็ได้นะในอธิบายว่า บุคคลวางซึ่งอาจยาในสัตว์ทั้งปวงไม่เบียดเบียนเหล่าสัตว์แม้แต่ผู้ใดผู้หนึ่งไม่พึงปรารถนาบุตรจักปรารถนาสหายมาแต่ที่ไหนพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรกเะนั้นนะบางคนก็เลยอะไรนะบุตรยังไม่ปรารถนาเพื่อนจะเอามาจากไหนว่างั้นบางคนเนี่ยไม่เข้าใจไอ้ข้อปฏิบัติก็เลยไม่รับผิดชอบไม่เลี้ยงลูกเลยอันนั้นก็เกินไปอกีกนะฟังธรรมะนี่ต้องฟังให้จบข้อความนะ ถ้าฟังไม่จบข้อความก็เลยกลายเป็นว่าขาดความรับผิดชอบนะมีลูกแล้วเอา้าก็นี่ไงถือข้อปฏิบัติไม่ปรารถนาบุตรเพื่อนก็ไม่เอาเลยไม่มีความรับผิดชอบอะไรสักอย่างอันนั้นไม่ใช่แบบนั้นนะคําว่าสับเพสุเนี่ยนะสับเพสุที่แปลว่าทั้งปวงอ่ะทั้งปวงหมายถึงอะไรเป็นคําพูดที่พูดแบบไม่มีส่วนเหลือไม่เหลือไม่มีส่วนเหลือปัญค์คำว่าทั้งปวงเป็นคําพูดรวมทั้งหมดไม่มีเหลือ ส่วนคําว่าสัตว์เนี่ยนะพูดพูดตัวนี้บางทีใช้คําว่าสัตว์พูดนี้แบ่งเป็นสองกลุ่มทั้งผู้สะดุ้งและผู้มั่นคงสะดุง้งในสะดุ้งด้วยอะไรคว่าสะดุ้งไม่ใช่โกรธนะตันหาพาสะดุง้งทิฏฐิพาสะดุง้งสะดุ้งด้วยตันหาและทิฏฐิส่วนผู้มั่นคงก็คือกําจัดความสะดุ้งคือตันหาและทิฏฐิเรียบร้อยแล้วเรียกว่าผู้มั่นคงเนี่ยนะถามว่าเพราะเหตุไรท่านจึงกล่าวว่าผู้สะดุ้ง เพราะสัตว์เหล่านั้นย่อมสะดุ้งย่อมหวาดเสียวถึงความสยดสยองเพราะเหตุนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงกล่าวว่าผู้สะดุ้งส่วนสัตว์เหล่าใดละปัญหาได้แล้วละความกลัวและความขลาดได้แล้วคือพระอรหันต์น่นนะสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าผู้มั่นคงเพราะเหตุไรท่านจึงกล่าวว่าผู้มั่นคงสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่สะดุ้งไม่หวาดเสียวไม่ขั่นครามไม่ถึงความสยดสยองเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าผู้มั่นคง นนก็คือไม่ไม่มีอำนาจอะไรทําให้ท่านสยดสยองหวาดเสียวแม้แต่นิดเดียวไม่มีอะไรทําให้ท่านสะดุง้งเพราะท่านเป็นผู้มั่นคงคือพระอาหารหันต์นี้นี่ต่อไปวางอาทยาอาทยานี่คืออะไรอาทยามีสามอย่างอาทยาทางกายอาทยาทางวาจาและอาทยาทางใจอาทยานี่โดยสัพแปลว่าอาชญานเนี่ยแปลว่าโทษใช่ไหมโทษ การทำความชั่วทางกายสามอย่างเรียกว่าอาทญาทางกายฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมนี่เรียกว่าอาทยาทางกายอาทยาทางวาจาก็คือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อเรียกว่าโทษทางวาจาหรืออาทญาทางวาจามโนทุจริตสมอย่างคืออาภิ ช, ชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าอาทญาทางใจ คำว่าวางอาจยาในสัตว์ทั้งปวงก็คือวางความชั่วทางกายวาจาและใจในสัตว์ทั้งหลายแปลว่าวางปล ง, งละสละทิ้งระงับระงับซึ่งความชั่วทางกายวาจาใจในสัตว์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นเรียกว่าวางอาจยาในสัตว์ทั้งปวงัรผููที่วางอาจยาในสัตว์ทั้งปวงคือไม่ทาความชั่วในสรรพสัตว์ทั้งหลายเลยไม่ทำความชั่วด้วยกายตทจริญสาม ไม่ทำความชั่วด้วยวจีทุจริรศีไม่ทำความชั่วด้วยมโนทุจริสามนี่แหละเรียกว่าวางอาจยา